วันนี้เป็นวันออกพรนษาภารณาบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายได้อยู่การผลในไกลมาสามเดือนในระยะสามเดือนนี้พูกบวชมาใหม่ ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อให้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติผูบวดม า, กาเกลก็ตั้งใจเจริญสมถะวิปัสนาเพื่อชำละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจจนวัวามันจะหมดสิ้น ผู้เป็นทายกทายิกาก็สั้งใจบำเพ็ญบุญคุศรเช่นตักบาทเป็นประจำวันอย่างนี้นะเนือก็สมทานศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์พยายามชำระตนให้บริสุทธ์จากบาปจากโทษทั้งหลาย พยายามไววพระภาวนาแม้จะอยู่บ้านอยู่ช่องของตนก็ไม่ประมาทการที่เราทำความเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าปฏิปฏิบูชาเราบูชาพระสัตว์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ ด้วยการปฏิบัติเราเสียสละความอยากความปัจนาของตัวเองเอน้อมกายวาจาใจของตนสู่ธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำอย่างไรไม่ให้พูดอะไรก็ไม่ทำไม่พูด ทรงอนุญาตให้ทำอะไรพูดอะไรได้ก็จึงทำจึงพูดในสิ่งนั้นเราไม่ทำอะไรพูดอะไรตามใจชอบของตัวเองเราทำเราพูดอิงอาศัยศิลอาศัยธรรมอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ขอยพากันปฏิบัติตนอย่างนี้เพราะว่าลำพังแต่ความรู้ของเรานะ่ะเรายังรู้ไม่รอบคอบเช่นเรื่องบาปอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้แจ่มแจ้งในใจเรื่องบุญก็เหมือนกันยังไม่รู้แจ่มแจ้งในใจบางทีก็สงสัยลังเลอยู่ ดังนั้นเราจึงอาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่บ่อยๆเมื่อฟังไ ป, ไปบ่อยๆมันก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมันก็จะหายสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษอันนี้ล้วเรียกว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การที่ทำอะไรชอบใจตามชอบใจตัวเองมันจะขัดต่อสินต่อธรรมก็ตามไม่ไม่ไมนำพาอันนั้นเรียกว่าผู้ไม่ปฏิบัติบูชาคุณแก้วสามประการอันนั้นพวกเราเราได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเรื่อใส ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพธรรมคุณประสงค์อย่างริงใจจริงจังเพราะเนื่องจากว่าคนไทยเรานั้นมีปัญญารู้จักผู้เิฐในโลกพอได้ฟังประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นว่าพระองค์เป็นผู้เิฐจริงๆ แม้ว่าพระองค์จะบังเกิดอยู่ในประเทศอินเดียไม่ได้เกิดอยู่ในประเทศไทยก็ตามเมื่อได้ฟังกิติศัพ์กิติคุณของพระองค์แล้วเราก็เชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีบุญหนักสักไงจริงๆทรงสร้างบา ร, รมีมาจริงๆเลยทีเดียวดังนั้น ในเมื่อคนไทยเรายังไม่ํำนานในข้อปฏิบัติอันลึกซึ้งก็พากันยึดเอาเครื่องพระเวสสันดร น, นี่แหละเป็นเครื่องดำเนินให้ได้ทำบุญทำทานเพราะว่าพระเวสสันดร น, นี่ท่านจารึกเป็นอักษรด้วยว่าพระองค์เป็นนักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่ สละลูกสละเมียให้เป็นทานสลุสละเข้าของเงินทองให้เป็นทานสละช้างพระทนั่งม้าพรินั่ ง, างราชรถให้เป็นทานไปหมดสมบัติของกษัตริย์ไม่มีเหลือแล้วพระองค์ก็เสด็จไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในเขาวงกฏป่าหิ ม, มพาน ด้วยอำนาจบุญญาบารมีของพระองค์ที่บำเพ็ญมากเมื่อได้เป็นพฤษีอยู่ในป่าหิมพานต่างนั่นแล้วก็ยังบุญบารมียังยังไม่สามารถที่จะบรรดาลให้พระองค์ได้ตัดสู้เป็นพระพุท ธ, เ, ธเจ้าได้ก่อน ดังนั้นบุญกุศลจึงนวงเหนี่ยวให้พระองค์ได้ย้อนกลับเข้าไปครองราชสมบัติในเมืองเชตุดอนในครั้งนั้นเมื่อดับพันบรรลัยจากโลกนี้แล้วพระองค์ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุซิตคงจะพร้อมด้วย พระนางมัตชีกันหาชาลีนั่นแหละแต่ท่านไม่กล่าวไว้ชัดในตำร า, าเฮ้เมื่อถึงยุคถึงเวลาที่พระองค์จะได้มาตัดสู้เป็นพระุทธเจ้าแล้ว mm hmm. ก็บรรดาให้เทวดาอินพร้อมไปเชื่อเชิญให้พระองค์ชุติจากสวรรค์ ท่านดูสิทธิ์ลงมาปฏิสนธิในท้องของพระนางสิริมห า, มายาซึ่งมีพระพุทธเจ้าสุโธทนะเป็นพระบิดาในประเทศอินเดียครั้งนั้นพระอษฐ์ประสูตก็ประสูติเดือนหกแผ่นตรัสรุ้ก็ตรัสรูเดือนหกแผ่น เด็จตับขันปรินิพานก็เดือนหกแผ่นสามสมัยการนี้ย่อมตรงกันเลยซึ่งไม่มีมนุษย์ใดที่จะมีมหัสจั์อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีนี่แหละซึ่งว่าเป็นอัจฉริยมนุษย์แปลว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่น่าอัศจรรย์มาก ไอ้เรื่องเล่าเหล่านี้นะมันเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งเอานะเป็นความจริงมีอะไรเป็นหลักฐานก็มีพระธรรมคำสอนของพระองค์สิเป็นหลักฐานนะ่ะนักปราดได์ใดในโลกนี้ที่จะมาแสดงความคิดความเห็นมากมายกายกองอย่างนี้นี่ไม่มี ลองไปกลวดดูคอนู้ทำลาลัทธิศาสนาอื่นๆไม่มีหรอกคำสอนที่จะมาก ม, มายแบบนี้นะอันนี้แล้วทรงสอนได้ยอย่างต่ำจนถึงอย่างสูงสุดผู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามก็ได้เห็นผลคือจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจริงๆ อย่างพวกชาวบ้านออกบวชตามพระองค์บางคนก็เป็นลูกเศรษฐีนั่งก็มีเป็นลูกพ่อข้าพานิชผู้ยิ่งใหญ่บางคนก็เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีออกบวชไปแล้วบาเพ็ญไปพ็สําเร็จอราหาันสิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านก็ไม่ศึกขาราเพศ กลับไปครองเรือนอีกเลยอยู่ไปจนตลอดหมดอายุสังขารแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเหมือนอย่างพระสงค์ในสมัยปัจจุบันน่ะเมื่อบวชมาแล้วละกิเลสไม่ได้แม้ว่าอายุมากนะบวชมาทั้งสิบปียี่สิบปีก็ยังศึกไปได้อยู่เนี่ยบุคคลภูรากิเลสไม่ได้ มันก็ต้องมูนไปหากิเลสของเก่าท่านพุระกิเลสได้แล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ไม่หวนเราจะไปครองราดสสมบัติอีกเลยมีแต่ทรงโปรดเวนยัยสั์ท้งหลายทรงแสดงธรรมแนะนำให้คนละความชั่วทำความดีให้ํำละจิตใจของตนให้บริสุทธ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทางหลายนี่อพระพุทธกิจของพระองค์มีอย่างนี้เมื่อพระองค์ละกิเลสไปหมดสิ้นไปแล้วอันกิจธุระของพระองค์ที่จะทําความเพียรเพื่อละกิเลสไม่มีแล้วดังนั้นพระองค์จึงไปเที่ยวเตะนําสั่งสอนผู้อื่นตลอดปัจนนี้ผ่านเลยอืม แม่พระสาวกองค์อราหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้ากดช่วยพระศาสดาเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้กันครองดีแล้วแสดงไว้แล้วท่านพระสาวกทั้งหลายก็พากันจดจำเอาแล้วปฏิบัติตามเมื่อท่านได้บรรลุถึงที่สุดแล้ว ไม่มีกิจจะต้องทำอีกต่อไปแล้วกิจส่วนตัวนะท่านก็เที่ยวแนะนำสั่งสอนประชาชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายให้ละชั่วทำดีให้ทำละจิตใจให้ผ่องใสสะอาดตามพระศาสดาไปจนกว่าจะหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไป มีประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์โดยทั้งเข็บคุตบริษัทควรพากันพินิษพิจารณาจดจำแล้วเอาไปพิจารณาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเชือนใจให้เรามีความอุตสาหะวิริยะภาคเพียนกลวดกาดูกายวาจาใจของตน ว่ากายวาจาใจของตนนี่มันบกพรองอยู่ตรงไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอยเลยสำรวจกวดการดูตนของตนเสมอไม่สำรวจดูแลมันจะไปรู้ความบกพรองได้ยังไงอ่ะแล้วมันจะไปละบาปได้ยังไงนี่นะถ้าเราสำรวจดูนะ มันก็รู้ได้แหละอเอ็นพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันห้ามไม่ฆ่าสัตว์ห้า ม, มาให้รักทรัพย์ห้ามไมาใ่หามมาให้ประพฤติผิดในกามเล่นสู้จากขัวจากเมียเนี่ยห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพิดเจอเร็วไหลอม โมนีนะห้ามไมา่ให้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโมนีเราเราได้ร่วงเกินหรือเปล่าข้อห้ามห้าประการนี้เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธจะพึงพิจารณาตัวเองอย่าไปเมินเฉยนะถ้าไปเมินเฉยไม่พิจารณาถึงข้อห้ามเหล่านี้แล้ว ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้นับถือพุทธศาสนานั่นเองนะเพราะเพราะพุทธศาสนามีจุดประสงค์ที่จะสอนในคนละความชั่วละบาปกรรมเพราะบาปกรรมความชั่วเหล่านี้มันนำบุคคลผู้กระทำให้ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากในไหนเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว แต่คนทุกคนนะไม่ต้องการความทุกข์นี่คอยพิจารณาตัวเองดูให้ดีถามตนเองดูว่าเราต้องการความทุกข์ไหมยอย่างนี้นะทุกคนจะต้องตอบตัวเองว่าไม่ต้องการเลยคือต้องการอะไรต้องการความสุขความประสงค์นี่เหมือนกันหมดในโลกอันนี้นะทางต่ว่าการแสวงหาความสุขนั้น มันแตกต่างกันผู้มีความรู้ความเห็นอย่างไรก็จะเป็นทางความสุขก็ทําไปทําไปเช่นดื่มเหล้ามาสุราอย่างนี้บางคนก็ถือว่ามันสุขมันสนุกสนานดีอย่างนี้นะ เ, เห็นเมื่อเห็นว่ามันเป็นสนุกสนานดีมันเป็นสุขดีก็ดื่มไปแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นบาป มันจะเป็นบาปอะไรมันสนุกสนานดีดื่มแล้วเราก็ไม่ได้ไปด่าพ่อร่อแม่ใครไม่ได้ไปทุบไปตีใครยิงอยู่บางคนไม่ทุบไม่ตีใครเนี่ยแต่บางคนมันทุบมันตีเขาสิมันด่าพ่อร่อแม่เขา อ, อย่างนี้เลย แต่ถ้าดื่มมากๆเข้าไปแล้วมันต้องทำเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นยงงั้นสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนอะโม น, นีเป็นของให้โทษทั้งนั้นเลยไม่ใช่ให้โทษแต่ไปทุกไปตีไปด่าว่าคนอื่นเท่านั้นให้โทษแก่ร่างกายของตนเองนี่แหละ ทำให้เกิดโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนนี่หาความสุขสบายไม่ได้หมอก็รักษาให้ไม่ได้เช่นเกิดโรคมะเร็งเกิดโรคตับโรคปอดโรคเบาหวานโรคเอทอะไรพวกนี้นะหมอช่วยไม่ได้เลยผู้กรพฤติผิดในกาม หรือผู้ไม่สำรวมในกามก็กระฤพิดสำสอนไปทั่วไม่เลือกไม่เล็มอะไรเลยอย่างนี้นะอ่นอยนึงว่าได้ข่าวว่าเกิดโรคเอดขึ้นแล้วอันเกิดโรคเอดแล้วก็ไม่มียาเลยมีแต่ตายลูกเดียวแล้วอย่างนี้ทำไมไม่พิจารณาดูาชาวพุทธทั้งหลาย พระพุทธเจ้าห้ามไปแล้วมันมีโทษจริงๆเล ย, ย, เ น, ยนี่เพียงนี้เมื่อได้พิจารณาให้ละเอียดแล้วออจริงๆแล้วมันมันก็เว้นได้แหละมันเห็นนี้มันเห็นว่าเป็นโทษไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นะมันก็เว้นได้เลยอืการพูดเท็จพูดไม่จริงไม่จัง พูดสอเสียดพูดคำหยาบคายดา่าพ่อร่อแม่กันอะไรโม้เนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะพูดเลยเพราะว่าพูดไปแล้วมีแต่เสียไม่มีไม่มีได้เลยทางได้ดีไม่มีมีแต่เสียรูปเดียวแต่ผู้พิจารณาได้มันจึงค่อยเห็นได้ผู้ใด ไ, ดไม่พิจารณาแล้วไม่เห็นเรื่องมันนะ การประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอะไรหมูนี้นะหมูนี้มันก็ให้โทษในปัจจุบันนี้ด้วยไปเบื้องหน้าก็ให้โทษไปในเบื้องหน้าด้วยอย่างนี้ก็ขอได้พากันพิจารณาให้มันเห็นแจ้งชัดด้วยตนเองการทําลายล้างฐานผู้อื่นการ รักการล่อการช่อการโกงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนหมูน่นี้มันล้วนจะเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เป็นทุกข์เกิดร้อนทั้งนั้นเลยเมื่อไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วไอ้กรรมนั้นมันจะไม่ย้อนมาหาตนจะไปได้ที่ไหนมันต้องย้อนมาหาแน่นอนเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงไ ว, ว้ว่าผู้ใดทํากรรมอันใด ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอย่างนี้นะืมก็เมื่อผู้ใดมาฟังคำสอนของพุติเจ้าล่าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนให้มันเห็นแจ้งในใจว่ากรรมชั่วเหล่านี้เป็นของกนละโดยแท้เช่นนี้แล้วก็พู้นั้นละได้แล้วในชาตินี้นะละได้เด็ดขาดไปแล้ว กรรมชั่วเหล่านี้มันก็ไม่ตามไปสนองนะอธิษฐานละจะไปทุกวนันทุกคืนไปไอ้กรรมชั่วที่ได้หลงไหลทํามาแล้วแต่ก่อนนั่นนะก็ยอมรับว่าเป็นกรรมชั่วเป็นบาปริงวันนี้ขอละเว้นไม่ทํามันต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้กรรมชั่วทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ลุ่มหลงทํามาจงหมดไป เส้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้นี่อุปายละบาปกรรมความชั่วนะมันมันต้องอย่างนี้ขอให้เข้าใจเราจะไปอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปไม่มีอุบายเนี่ยใครไม่คิดไม่อธิษฐานจิตเลยอย่างนี้แลนะจะให้บาปกรรมมันหมดไปจากจิตใจไม่มีทางขอให้เข้าใจอืม ก็เมื่อเรากรรมสิ่งของอะไรอันหนึ่งไว่อย่างนี้นะไม่ยอมวางอันนี้ของอันนั้นมันจะไปไหนบ้านี้มันก็อยู่ในกรรมมือนั่นแหละออันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตยึดเอาบาปกรรมไว้อย่างนี้นะแล้วบาปกรรมมันจะหนีไปไหนมันไม่หนีมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละือถ้าจิตจิตเห็นโทษของบาปกรรมต่างๆนั่นแล้ว คายออกจะไม่ยึดถือเอาไว้เลยมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงอ่ะมันก็ดับไปเท่านั้นเองเนี่ยบาปโทษเหล่า น, นั้นนะเนี่ยเป็นบาปโทษต่างๆเหล่ า, า, านี้เป็นสิ่งที่ละได้พระศาสนาจึงได้ทรงสอนให้ละถ้าก็าละไม่ได้แล้วพระองค์ไม่สอนให้ละเช่นถ้าพระองค์เห็นว่า ผู้ใดทำบาปกรรมอันใดไว้แล้วอย่างนี้บาปกรรมอ น, นั้นมันต้องตามสนองให้จนได้แม้ว่าผู้นั้นจะทําความดียังไงยังไงให้สูงขึ้นไปก็บาปกรรมอันนั้นมันยังตามสนองให้ได้อยู่นี่เพราะองค์ก็ไม่สอนเนี่ยพระองค์จะไม่สอนให้คนละบาปละกรรมเลยเพราะละทำให้ละไม่ได้อ่ะ นี่พระองค์รู้แจ้งแล้วว่าละได้อยู่กรรมเบานี่นะนี่นะอย่าพากันนิ้งนอนใจเรื่องบาบเรื่องกรรนี่นะทุกคนเกิดมาในโลกนี้อันซึ่งจะไม่ได้ฆ่าสัตว์นี่คงไม่มีสักคนเดียวหรอกอ่แต่การหยิบฉวยเอาสิ่งของผู้เราไป็งนงคนอาจจะมีอยู่ว่างไม่มากก็น้อยแต่ละคนนะอืาแต่การ เล่นชู้จากหัวจากเมียนี่อาจจะมีเป็นบางคนบางคนอาจจะไม่มีอย่างนี้แหละการพูดโกหกโกรลร้มเหลานี่มันต้องมีแน่แต่ละคนนะต่างกันมากล้นน้อยกันกันเท่านั้นแหละนี่นะการดื่มเหล้าเมาสุราหมูนี่นะมันเห็นมาพอแรงแล้วนะ ทั้งยิงทั้งชายมูอ่ะกันไปหมดโดยเฉพาะคนข่าวถือผีอยู่โน่นนะถึงจะดูเดือนห้าเมษาปีใหม่มาแล้วก็เอาแล้วลงเลี้ยงผีกันแล้วเนี่ยนะเลี้ยงผีไม่ใช่เลี้ยงผีแล้วามจริงเลี้ยงขนอะไรเข้าทํานองผีกินอย้ยคนบายตอนเพั่นว่านั่นแหละเอาไปหัวหมูเอาหมูเอาเลยใส กำลังาไปตั้งไว้หอผีนั่นสักคู่หนึ่งแล้วก็เพื่อนอิ่มแล้วก็ยกออกมาแล้วก็มาว่ากันเลยว่าเนี้ยทั้งเล่ายาปลาแป้งอะไรท่าอะไรเดิมเมาได้ที่แล้วก็ก้อนเกี่ยวกันเลยวะเนี่ไม่ว่าลูกใครเมียใครผัวใครคนแก่คนเฒ่าก็ตามมาัม่วกันไปหมดเลยเราจะเป็นเด็กเป็น หนุ่มอยู่คนไปเห็นเขาแล้วสังเวชสลดใจเราไม่ได้ไปมั่วกับเพื่อนเลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ไม่ยังรู้ได้นะแต่ยังหนุ่มอยู่รู้แต่ยังน้อยอยู่รู้นะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าคอยพากันทบทวนดูให้ดีเมื่อทบทวนดูแล้วเห็นว่าเราได้รุ่มหลงทมจริง ล้วอธิษฐานใจละเว้นเสียเราไม่ทำต่อไปอีกเช่นนี้แล้วบาปกรรม น, นั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปจิตใจก็ข่องใสสะอาดอันนี้นะที่พระพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้คนเราเคียนละความชั่วออกจากตัวนะพวกเราเป็นชาวพุทธแท้เราจะไม่พยายามหรื อ, อลองถามตัวเองดู เราจะไม่เชื่อหรือพระบัญญาติศัตรูของมุตยเจ้านะออย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องพิจารณาตัวเองจะให้คนอื่นพิจารณาตัวเองนะั้นไม่ได้หรอกไม่ได้อันนี้แหละถ้าเราพิจารณาเห็นได้แนละ้วเราเว้นเดทขาดได้ชื่อว่าปฏิปฏิบูชาอการปฏิบัติบูชาพระคุณของมุตยเจ้าพระธรรมสง่์ เป็นการมูชาอย่างยิ่งเป็นไปเพื่อพ้นจากฝากจากกิเลสปากประธรรมกรรมอันชั่วทั้งหลายก็ชื่อว่าพ้นทุกข์ในอวัยภูมทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนั่นเองแหละคาว่าพ้นจากาบาปนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อพ้นจากนร ก, กจะไปไหนบ้านี่เมื่อไม่ไปตกนรกแล้ว เมื่ อ, เ ม, อเมื่อไม่ไปตกนรนกแล้วนี่ตายไปมันก็ไปสวรรค์เท่านั้นแหละทางไปแห่งจิตใจนะคิดดูให้ดีไม่มีไม่มีทางอื่นแต่ผู้ใด้บำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นนั่นมีน้อยหรอกไปสู่พมมมโลกอันผู้ทำความดีละความชั่ว ชำระใจขอาตัวนี่สะอาดอย่างดังกล่าวมาแล้วนี่ไปสวรรค์แหละหกชั้นนั่นนะชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ไปไหนนะไอคนที่ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันชำระบาปยังไม่หมดอืมันยังมีบาปโพพันอยู่เช่นอย่างว่าพ้นจากนกมาแล้ว บุญกุศลมีอยู่แต่ว่าไม่มากพอจะไปสวรรค์ได้ก็มาเกิดเป็นคนอย่างนี้นะอืาบางทีไอ้เรามาเกิดกันอยู่นี่นะอาจจะพ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้นะหรือว่าพ้นจากสัติไรฉันแล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้บางทีก็จุดติจากสวรรค์ น, นุน่นมาเกิดเป็นคนก็ได้ แต่เราระลึกชาติทอนหลังไม่ได้ไม่ได้มันมันมันจึงรู้ไม่ได้แต่รู้ไม่ได้เราก็พออนุมานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าผู้ใดจุุติจากเทวดาลงมาเกิดเป็นคนอย่างนี้คนผู้นั้นย่อมเป็นคนดีแน่เลยเป็นคนใจบุญกลัวบาปมีเมตตาจิต ไม่คิดอิดชาเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นคนผู้เช่นนั้นแหละเราก็พอเดาได้เลยว่าต้องมาจากเทวดาแน่นอนเพราะว่าผู้ที่จะเป็นเทวดานะมันก็ต้องละบาปไปตเป็นมนุษย์สักก่อนอย่างนี้นะเมื่อละบาปแต่เป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาพะหมดบุญจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์อีก นิสัยเก่าก็ติดตามมานิสัยเป็นคนใจบุญมีเมตตาอารีอันนั้นนะมันก็ติดตามมาอย่างนี้แหละอืมเช่นนั้นบางคนมาเกิดในโลกในี้ใจดําอมมหิทไม่มีเมตตาอารีโกรธง่ายชอบข่มเหงผู้อื่นชอบดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นอย่างนี้จะ แ, แสดงว่า ต้องพ้นจากนรกมาหรือพ้นจากเปรตมาพ้นจากตัณิริชานมาแล้วมาเกิดเป็นคนเราก็พออนุมานได้พอเดาได้แล้วดูกิริยาท่าทางของบุคคลแต่ละคน น, ะนะ น, นั่นแหละมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะไปดูไม่จะทำว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไง ลักษณะอาการของคนมันบอกอยู่ผู้ที่ช่างสังเกตจะย่อมรู้ได้เลยอย่างที่เราทุกคนที่มาสนใจในธรรมะ ก, กันอยู่อย่างเนี้ยแสดงว่านิสัยเก่ามันติดมาแต่ชาติก่อนหนหลังโน่นมันสนใจในสินในธรรมในบุญกุศลมันเห็นทุกเห็นภัยในสงสารมาแล้วอยากพ้นทุก แต่ว่าบุญบารมียังน้อยอยู่ก็เราต้องให้มาเกิดเป็นคนอีกก่อนมาสร้างบุญบารมีเอากว่า น, นี้นะให้มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปออย่างนี้แหละเมื่อก็พอรู้ได้นี้ทุกคนเลยลองพิจารณาตัวเองนะพอจะเข้าใจได้แล้วเมื่อผู้ใดพิจารณาตัวเองเข้าใจได้อย่างนี้มันก็มั่นใจอยู่ในศีลธรรม มั่นใจอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายแล้วแล้วไปตายเพราะบําเพ็ญข้อวัดปฏิบัตินี่ตายเพราะละบาปนี่ทั้งไกทําแต่บุญกุศลนี่เราไม่เสียดายเลยชีวิตนี้นะออว่าแต่เราขอให้พ้นจากบาปจากโทษก็พอแล้วอืก็ขอให้พายกัน หากันมีอุบายเนี่ยภายในใจอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนี้แล้วเราก็พ้นจากบาปไปไม่ได้อย่าไปเข้าใจว่าบาปมันไม่ติดตามเนอะเมื่อเราทำลงไปแล้วเราไม่ละมันน่ะมันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันยังไม่ได้ช่องได้โอกาสบุญมีกำลังมากกว่าอย่างนี้นะบุญให้ผลไปก่อน บาปมันก็ติดตามไปอย่างนั้นนะแต่มันยังไม่ได้ให้ผลอขอให้เข้าใจคราวนี้เมื่อหมดเขตของบุญนั้นลงไปแล้วบ่อนีอาบาปนั้นก็สวมต่อเลยบ่อนีนะให้ผลต่อชีวิตก็ถึงซึ่งความทุกข์ทนทรมานแลวบ่อนีเมื่อบาปกรรมมันให้ผลนะดังนั้นนะ่ะคนเราเกิดอะไรโลกนี้เราก็เห็นกันอยู่ บางคนได้ยังหนุ่มนั่นแข็งแรงแข่งขันดีวันนี้มาถึงวัยกลางคนะเกิดมีโรคภัยอะไรแรงเบียดเบียนร่างกายกับทุสุดโทรมลงไปทุกคนลภาพลงถ้าเมียล้มเจ็บล่องรักษากันยังไงก็ไม่ค่อยจะหายเอาเราเป็นภาระของผัวต้องเลี้ยงลกูกต้องทำการทำงาน เลี้ยงกันอยู่อย่างนั้นมาถ้าหากว่าผัวมีกรรมเวรมาสนองเอ า, เ, อาเจ็บลงป่วยลงไปไอ้ฝ่ายเมียก็ต้องหาเลี้ยงผัวแบบนี้นะเลี้ยงลูกมันก็แสนทุกขแสนยากเรื่องขนแหงบาปแห่งกรรมที่มันตามสนองอย่างนี่นะมันไม่ใช่ทุกแต่ตัวผู้เจ็บผู้ป่วยอะทุก กับบุคคลผู้เนื่องด้วยตนกนะ็เกี่ยวข้องกับตนด้วยทุกถึงพ่อถึงแม่ถึงวงศานาญาติลองคิดดูสินี่แหละขนแห่งบาปแห่งกรรมนะมันลุกลามให้เกิดทุกข์ไปมากมายกายกองเมื่อผพูดไปพิจารณาให้ละเอียดก้องขวางองอกไปอย่างนี้นะ แน่นอนนะไม่ปรารถนาจะทำบาปอะไรต่อไปอีกเลยมันจะยากแก่ลำบากอย่างไงในชีวิตนี้ก็ขอขอไม่ต้องทำบาปอย่างเดียวแม้จะลำบากโดยการงานอย่างอื่นแล้วแต่เรื่องมันไม่เดือดร้อนการงานที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นนะเอาเราทำมันแหละเมื่อเวลามีกำลังทำได้นะ ขออย่าให้มันมีบาปมีกรรมกันแล้วกันการงานต่างๆท่านอย่างนี้แล้วรับรองว่าไม่ได้ไปนรกแ น, น่นอนะชีวิตนัน่นแหละก็มีสวรรค์เป็นที่ไปอย่างที่ว่ามานั่นนหละเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจว่าไอ้บาปกรรมนี่มันไม่ได้เกิดมาแต่ที่อื่นมันเกิดที่จิตนั้นจิตนั้น สร้างมันขึ้นมาเอาเอเช่นอย่างว่าการฆ่ า, า ส, สัตว์อย่างนี้นะอถ้าถ้าจิตไม่ยินดีที่จะกินเนื้อสัตว์อย่างนั้ น, ะนอย่างนี้แลนะมันจะฆ่าได้ยังไงอ่ะมันไม่ฆ่าแล้วเพราะจิตไม่กลัวบาปาบาปก็บาปไปฆ่ามันไปได้กินอิ่มแล้วเอาละ นี่บาปมันไม่ไม่เกิดจากจิตไม่ใช่เหรือจิตเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่เหรือนี่ยถ้าจิตไม่คิดอย่างว่านั้นแล้วเอา้าสัตว์ทั้งหลายมันก็ชอบความสุกขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกับเรานี่นะมันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนมันเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเราเบียดเบียนเราเหมือนกันเลย เทียบเขากับเราใส่กันนะครับมันทำไม่ลงเลยแต่คนเราไม่ได้คิดถึงปัญหนานเรื่องมันนะคิดจะอยากจะกินเนื้อมันเท่านั้นเองนะเห็นสัตว์ต่างๆเขาแล้น้ำลายไหลนอะบางคนอนะอยากกินเนื้อมัน้วอย่างนี้นะจะไม่ให้ไปตกนรกหมกไหมยังไงเล่า นี่แหละตัณหาเพราะเจ้าทัดว่าเป็นเนตรได้เกิดทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อความอยากเกิดขึ้นในใจแเราบาปก็ยอมไปตกนรกก็ยอมไปอลองพี่นาดูซิเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนเราไม่สนใจเรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่สนขอให้ได้กินอิ่มนอนหลับพอแล้ว ไอ้ผู้ใดเห็นบาปเห็นบุญให้คนให้โทษเจมแจ้งด้วยใจอย่างนี้แล้วละบาปได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนได้ไม่ใช่ทําตำตำนะเป็นทุนธรรมของพระโสดาบันแน่นอนเลยอืมให้คิดดูให้ดีพระโสดาบันท่านท่านบรรลุอริยะอ่โสดาปฏิพันธได้อย่างนี้นะ ท่านละบาปเด็ดขาดลงไปด้วยอํานาจแห่งเรียมร์กเลยดังนั้นท่านจึงไม่กลับไปทําบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นตลอดถึงสุราเมรัยเป็นที่สุดท่านจะไม่กลับไปทําบาปเหล่านั้นอีกเลยอย่างนี้แหละที่ผูดด้ใดถ้าหากว่าละความชั่วนั้นเหล่านั้นได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นพระสาดาบัน ก็ได้ชื่อว่าเดินตามทางตามหลังของพระโสดาบันแล้วต่อไปก็จะได้เป็นพระโสดาบันแน่นอนทีเดียวอ่ะอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นพระโสดาบันได้แล้วในมุกมีชีวิตพ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากตัดเดชฉานแม่จะไปเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติ ชาติที่เกิดเจ็ดชาตินั้นก็เกิดดีทุกชาติเลยบุญกุศลตกแต่งให้มีจิตใจฝักไปในศีลธรรมเบื่อบาปเห็นโทษของบาปไม่ทำบาปเล็ดขาดเลยในเจ็ดชาตินั้นในที่สุดบุญบา ร, รมีทั้งหมดเต็มเปี่ยมในชาติที่เจ็ดแล้วก็ได้ตัดสูุ้มาขุนิพพานเข้าสู่นิพพานไปเท้งนั้นเอง แต่อย่างนั้นดังนั้นเน่ะคุณธรรมเหล่านี้นะจะแปว่าตำตำนะการละบาปนี่นะเหตุนั้นเน่ะการแสดงนี่จึงว่าย้ำแต่เรื่องบาปนี้หลายกว่าอย่างอื่นเลยเพราะว่ากคนส่วนมากนะไม่สนใจที่จะละบาปนี่ออกจากกายวาจาใจของตนว่าอย่างละก็ละให้เป่าลงหน่อยหนึ่งท่านะนั้นเนี่ยยังเหลืออยู่ เห็นว่ามันไม่เป็นทุกข์ป็นร้อนอะไรมันสบายสบายอยู่แล้วก็แล้วพ้ไม่คิดทิจะละมันอีกแล้วไอ้อย่างนีไ้ไม่ถูกต้องเนอให้เข้าใจกันเอาต้องเพียนละเอาจนมันหมดนั่นแหละบาปนี้นะไม่ให้มันมีเหลืออยู่ในจิตใจเลยอย่างนี้แล้วนั่นแหละพอจากนั้นไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ตราบเท่าถึงพายในผ่านดังแสดงมาขอจบปรงเพียงเท่านี้